ใหตาแสงคำเป็นการถัดไปขอการของท่นเจ้ากขอจเจริญพรญาติโยมสังฆชนทุกท่านอาตมาอยากจ ะ, จะเริ่มต้นการบรรยายวนันนะี้ด้วยนิทานสั้นๆเรื่องหนึ่งเป็นนิทานเซนนะขึ้นชื่อว่านิทานเซนแล้วเนี่ยบางทีก็จบลงแบบไม่รู้ตัวนะชายตะบอดผู้นหนึ่งเนี่ย ไปเยี่ยมเพื่อนได้สนทนากับเพื่อนตั้งแต่บ่ายเนี่ยจนเย็นแล้วก็คำ่ำชายตาบอดได้ไปสนทนากับเพื่อนผู้หนึ่งนะก็สนทนากันถูกคอกันมากจนถึงคำ่ำ หลังจากรูปไว้ล้เว ล, เวลาชายตาบอดก็ขอลาเพื่อนจะกลับบ้านนะเพื่อนก็ยื่นโคมผ้าให้เป็นโคมที่จุดด้วยเทียนนะสมัยสองสามร้อยปีก่อนเนี่ยมันไม่มีไฟฉายชายตาบอดก็บอกว่าให้โคมฉันทำไมเพราะว่าฉันไม่ต้องการใช้โคม คือคนตาบอดเนี่ยจะเช้าหรือค่าเนี่ยนะมันก็ไม่มีความหมายสาหรับเขาตอนเช้าตอนบ่ายเขาก็เดินมาเองเพราะฉะนั้นตอนค่าเนี่ยก็สามารถจะเดินกลับได้โดยที่ไม่ต้องการใช้โคมเพื่องก็บอกว่าคุณไม่ต้องการใช้โคมก็จริงแต่ว่าที่มือๆแบบนี้เนี่ยคนอื่นเนี่ย ที่เขาเดินสวนไปสวนมาเนี่ยถ้ามีแสงสว่างเขาก็จะได้เดินถูกทางแล้วก็จะได้ไม่เดินมาชนคุณด้วยชายตาบอดก็เลยรับโคบนั้นไประหว่างทางที่เดินกลับบ้านเนี่ยจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเดินมาชนจนกันล้มเลยแล้วก็โกรธ ชายตาบอดโกรธแล้วก็พูดขึ้นมาเสียงดังว่าตาบอดหรือไงไม่เห็นโคมที่ฉันถือหรือชายพูดนั้นเนี่ยขอโทษขอพัวเป็นการใหญ่เลยแล้วก็บอกว่าไอโคมที่คุณถือเนี่ยนะมันดับไปนานแล้วขอโทษด้วยเรื่องนี้จบเพียงเท่านี้ นิทานเซมไม่เหมือนนิทานอิศพบนะนิทานอิศพ บ, นะบเขาจะลงท้ายด้วยว่านิทานเรื่องนี้สอนว่าใช่ไหมแต่นิทานเซมเนี่ยเขาจบแบบนี้แหละเขาสอนว่าอะไรนะเขากำลังบอกเราว่าอะไรนิทานเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าคนเราเมื่อจะทําอะไรเนี่ย ก็อย่านึกถึงแต่ตัวเองอย่างเดียวให้นึกถึงคนอื่นด้วยคนตาบอดเนี่ยไม่ต้องการใช้โคมนะแต่การที่คนตาบอดถือโคมเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่ตาดีเขาจะได้เห็นทางขณะเดียวกันถ้าหากว่าเกิดปัญหาขึ้นมาอย่าไปโทษคนอื่นให้กลับมามองตนก่อน ชายตาบอดเนี่ยพอถูกเดินถูกคนมาเดินชนเนี่ยแกก็โทษชายพูดนั้นว่าตาบอดหรือไงไม่เห็นโคมที่ฉันถือหรือแต่ความจริงก็คือว่าโคมที่แกเข้าถือเนี่ยนะมันดับไปนานแล้วแต่คุณตาบอดเนี่ยมองไม่เห็นว่าโคมตัวนียดับคนที่เวลาเกิดปัญหาเกิดความผิดพลาดขึ้นมาแล้ว ไปทั่วคนอื่นไม่กลับมามองตนและไม่เห็นความผิดพลาดของตนก็เปรียบได้กับคนตาบอดนะสรุปว่าคือว่าคนเราเมื่อจะทำอะไรเนี่ยอย่านึกถึงแต่ความต้องการของตัวอย่างเดียวให้นึกถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้อื่นด้วยแล้วเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความทุกข์ก็อย่าเพิ่งไปทั่วคนอื่น ให้กลับมามองตนก่อนอาจะมาคิดว่าอันนี้เป็นบทเรียนยที่มีประโยชน์มากสําหรับการนดําเนินชีวิตคนเราเนี่ยเวลามีปัญหาเวลาเกิดปัญหาเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเรามักจะมองไปที่ข้างนอกเรามักจะโทษคนอื่นก่อ น, เ, น <c oughs> เวลาทํางานผิดพลาดขึ้นมา เราก็เราก็มักจะโทษคนนั้นคนนี้ว่าเป็นเหตุทำให้งานได้สำเร็จมีปัญหาน้อยคนที่จะกลับมามองตนว่าเรามีส่วนหรือเป็นเหตุให้งานนั้นล้มเหลวหรือเปล่าหรวปพ่ชาท่านพูดเตือนใจไว้แดงดีนะ เวลามีหลุมอยู่หลุมหนึ่งแล้วเราเอามือล้วงเข้าไปในหลุมเนี่ยถ้ามือล้วงไปไม่ถึงก้นหลุมถ้าบอกว่าคนทั้งร้อยทั้งพันเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเพราะหลุมมันลึกไม่มีใครสักคนที่บอกว่าเป็นเพราะแขนของตัวเองสั้นใช่ไมไม่มีใครที่บอกว่าแขนตัวเองสั้นมิไดบอกว่าหลุมมันลึกนี่เป็นตัวอย่างนะว่าคนเราเนี่ยพอมีปัญหา เราโทษคนอื่นก่อนเราโทษสิ่งอื่นก่อนเวลาเวลาหงุดหงิดเวลามีเสียงดังเช่นเสียงโทรศัพท์เสียงริงโทนดังในห้องประชุมหลายคนจะรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็จะไปโทษเสียงโทรศัพท์หรือไปโทษเจ้าของโทรศัพท์ว่าเป็นสาเหตุเป็นตัวการ แต่น้อยคนที่จะกลับมามองตัวเองมองใจของตัวเองว่าเป็นข้อใจของตัวเองต่างหาที่วางไว้ไม่ถูกเสียงดังแค่ไหนเนี่ยถ้าใจเรารู้สึกเฉยๆกับมันเราจะหงดหงิดไหมแต่ที่งดหงิดเพราะว่าอะไรข้อใจเราไม่ชอบเสียงนั้นใจเราไปจดจ่ออยู่ที่เสียงนั้น พอใจเราไปจดจ่อที่เสียงนั้นเนี่ยเสียงก็จะดังขึ้นเรื่อยๆคำมัาจะคตมาจะเสียงดังกว่าเพราะมีเครื่องขยายเสียงแต่พอใจเลยไปจดจ่อที่เสียงนั้นด้วยความไม่ชอบเราหงุนหงิดเราเป็นทุกขัทงทีคนไม่ได้คิดนะไม่เคยจะคิดว่าที่ตัวเองเป็นทุกข์เนี่ยเพราะใจที่วางไม่ไมถูก ไม่ใช่เพราะเสียงดังมีเรื่องก็สมัยที่หลวงพ่อชาได้รับนิมวลไปเทศที่ประเทศอังกฤษเมื่อ40ปีที่แล้วตอนนั้นหลวงพ่อสุเมโตซึ่งยังเป็นพระหนุ่มก็ติดตามไปด้วยพูดจัดเนี่ยซึ่งเป็นชาวอังกฤษก็จัดให้หลวงพ่อชาและคณะพักที่วิหารกลางกรุงลอนดอน คือวิหารแฮมสเตดที่จริมีวัดไทยอยู่ในลอนดอ น, นนะด้วยนะแถววิมเบตันแต่ว่ า, เ, าเจ้าภาพเป็นชาวอังกฤษก็เลยจัดวิหารแฮมสเตดให้ซึ่งเป็นวิหารของมูลนิธิของชาวอังกฤษตรงข้ามวิหารแฮมสเตดเนี่ยเป็นผับเป็นย้านย่านบันเทิงนะัมีผับมีบาร์อยู่หลายหลา ย, หลายโรงหลายร้าน ตอนเย็นเเนี่ยก็จะมีการเล่นดนตรีร้องเพลงสนุกสนานกันซึ่งก็เป็นช่วงเดียวกันกันกบที่ทางของพ่อเนี่ยจัดให้มีการนั่งสมาธิและมีการแสดงธรรมช่วงที่หลวงพ่อนั่งสมาธินเนี่ยนะมีคืนหนึ่งนะผับที่อยู่ตรงข้ามนีนก็ส่งเสียงดังเสียงดนตรีนานาชานี้ก็ดังเข้ามา กรหึมมาถึงในศาลาที่พระนั่งสมาธิหลวงพ่อสมัยโทตอนนั้นเนี่ ย, บ อ, ย, บ, ยนะบอกว่านั่งสมาธิไม่ได้เลยนั่งสมาธิไม่สงบเลยนะถ้าบอกนั่งสมาธิไม่สงบเลยเสียงดังยังพอว่านะแถมมันร้องเพลงไม่เพราะด้วยนะท่านเป็นฝรั่งอเมริกันท่านก็รู้อย่างเสียงมัน มันจะรองอย่างไงเพลงมันจะรองยังไงหน้านตาท่านก็ไม่ค่อยสะเบิร์เท่าไหร่แต่เราก็ชาที่นั่งสงบมันกัไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเสร็จนั่งสมาธิโยมที่เป็นชาวอังกฤษโยมที่เป็นเจ้าภาพก็มาหาหลวงพ่อแล้วมาขอโทษขอโทษที่เสียงมารบกวน หลวงพ่อชาตอบโยมว่าโยมอ่ะไปคิดว่าเสียงรบกวนโยมแต่ที่จริงอะโยมเป็นรบกวนเสียงต่างหากเข้าใจไหมโยมไปคิดว่าเสียงรบกวนโยมแต่ที่จริงอะโยมเป็นรบกวนเสียงต่างหากถึงหงุดหงิดรบกวนเสียงยังไงคือใจเนี่ยไปทะเลาะไปต่อรัต่อเทียนกับเสียงนั้น ใจที่มันชิงชังใจที่ไม่ชอบเสียงนั้นเนี่ยมันทำให้เราทุกข์เราทุกข์ระงมินไม่ใช่เพราะเสียงดังแต่เพราะใจเนี่ยที่ไม่ชอบใจที่วางไว้ไม่ถูกเวลาเรานั่งรถนะเดินทางในกรุงเทพเนี่ยรถติดหลายคนจะมึงนงิ่ แล้วก็ไปโทษว่าทำไมรถจึงติดอย่างนี้บางทีก็ไปโทษสัญญาณจราจรว่าบันแดงนานไปไม่เขียวสักทีแต่ที่จริงเนี่ยนะเป็นเพราะใจเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับปัจจุบันใจเราเนี่ยเป็นนึดถึงอนาคตไปคิดว่าถ้าติดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปที่ทา ง, งานสาย จะไปประชุมไ้ทันสง่งรูปช้าหรือว่าตกเครึ่งบินพอเราคิดแบบนี้เนี่ยนะใจเราทุกข์เลยกังวลเลยแต่ถ้าเกิดว่าใจเราอยู่กับปัจจุบันนะอยูกลมหายใจไม่คิดถึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นในเมื่อมันยังไม่เกิดก็อย่าไปกังวลกัอบันก็ไม่หมุนหงิ ก็ไม่ถูกให้ลองดูดีๆนะเวลามีปัญหาอะไรก็ตามเวลามีความทุกเนี่ยอย่าเพิ่งไปโทษคนอื่นไปโทษสิบหอื่นกลับมามองใจเราก่อนพ่อแม่หลายคนมาบน่นกับตมาว่าลูกไม่ฟังพ่อแม่เลยลูกดื้อพ่อแม่พูดยังไงก็ไม่ฟัง อาตมา ก, ก็จะบอกมักจะบอกกับพ่อแม่ที่มาปรึกษาตมาว่าเป็นพ่อเราเนี่ยนะไม่เคยไดฟังลูกกับมังลูกที่ไม่ฟังพ่อแม่นะมักเกิดจากการที่พ่อแม่เนี่ยไม่ฟังลูกก่อนสั่งนะบังคับไม่เคยถามว่าลูกรู้สึกอย่างไรหรือว่าลูกต้องการจริงไหม พ่อแม่ที่สั่งแต่ใช้แต่วิธีสั่งลูกเนี่ยนะตอนเด็กๆนะสุดท้ายก็จะรง้เลยว่าลูกเนี่ยมืโตขึ้นเป็นวัยรุ่นก็ไม่ฟังพ่อแม่ครูก็เหมือนกันครูก็พ้อจะบ่นว่านักเรียนไม่ฟังครูนี่เป็นการมองไปที่ข้างนอกลืมกลับมามองที่ตัวเองว่าแล้วเราฟังเด็กหรือเปล่าอธิบาเพิ่มว่า พ, พ่อแม่หลายคนเนี่ยพอเริ่มฟังลูกนะ ลูกจะฟังพ่อแม่เองครูเนี่ยเมื่อเริ่มฟังเสร็จเสร็จก็จะฟังครูนะเพราะฉะนั้นปัญหาที่เรามองว่าเกิดจากคนอื่นนะลองสาไปดูดีๆนะมันเริ่มที่เราก่อนนะอันนี้นี่คือส่วนหนึ่งนะของที่ทานเสร็จอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าให้เรานึกถึงคนอื่น ถึงแม้ว่าบางอย่างเราไม่ต้องการหรือว่ามันไม่เกิดประยชกับเราแต่ถ้ามันเป็นประยกับคนอื่นก็ควรทำมีเด็กคนหนึ่งสงสัยว่าทำไมปู่เนี่ยขยันปลูกต้นไม้จังเลยวันหนึ่งก็เลยไปถามปู่ว่าปู่ไอ้ต้นไม้พวกนี้เนี่ยกว่ามันจะโตกว่ามันจะให้ร่มเงา กว่ามันจะให้ผลเนี่ยนานเท่าไรปู่ก็บอกว่าอีกสัก2 0 3สปีมั้งเด็กก็ลองโอ้โหแล้วปู่จะได้ใช้เหรอพอถึงตอนนั้นปู่คงจะตายแล้วปูต่ตอบว่าไงปู่ก็ตอบว่าปู่ทำไม่ใช่เพราะคิดว่าตัวจะได้ประโยชน์จากต้นไม้แต่เพราะนึกถึงประโยชน์ ของหลานนึกถึงประโยชน์ของอนุชนโลกเราถ้ามันมีแต่คนที่ทำแต่เพื่อประโยชน์ของตัวเองนะก็คงจะไม่เจริญมาถึงทุกวันนี้แต่ที่โลกเนี่ยจเจริญ ม, มาน่าจะไม่สมบูรณ์นะก็เพราะว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเวลาก็ทําเนี่ยเขาไม่ได้นึกถึงตัวเองตัวเองอาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองทำแต่ว่า เพราะเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นอตาตมาชื่อเนี่ยเป็นคติที่เราควรจะตระหนักอยู่เสมอนะและที่จริงแล้วเนี่ยพูดถึงการนึกถึงผู้อื่นเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเราควรคำนึงแต่ในยาที่เราเป็นปกติสุขเท่านั้น แม้ในยามที่เราประสบความทุกข์การนึกถึงผู้อื่นมันก็มีประโยชน์มีประโยชน์ต่อตัวเราเองเวลาเราคิดถึงผู้อื่นนะันมันทำให้ความทุกข์ของเราเนี่ยล็กลงคุณหมอม า, า, มาลาเมริลาเคยเล่า ว, ว่า มีชายผู้หนึ่งประสบอุปฏติเหตุแล้วปกว่าร่างกายช็อกตายไวยฉับพลันมาถึงโรงพยบาบาลหมอก็บอกว่าเป็นตายท่อกันช่วงที่คนไข้คนนั้นอยู่ในภาวะโคมา่าหลายวันเนี่ยคนไข้นี่พอจะรับรู้ได้นะ่บอกว่ามันอยากจะตายให้ได้เลยบางครั้งเนี่ยมันมนก็ว่าจิตเนี่ยมันอยากจะหลุดจากร่าง จ่ก็พบว่ามันมีมือของใครบางคนมาสัมผัสตัวแล้วก็มีพลังที่ส่งให้จิตของเขาเนี่ยซึ่งมันจะหลุดไปเนี่ยนะมันกลับมาคนที่โคม่าเนี่ยเขารับรู้ไดนะ้เมื่อเขาเริ่มรู้สึกตัวซุ่จากโคมา่าเขาพบว่ามีหัวหน้าพยาบาล เวลาขึ้นบ่อรเนี่ยก็จะไปเยี่ยมผู้ป่วยทุกเตียมเจงไหนที่ผู้ป่วยพูดได้เธอก็จะพูดให้กำลังใจคนไหนที่ผู้ป่วยโคม่าหมดสติเธอก็จะสัมผัสตัวแล้วก็แผ่เมตตาไอเมตตาที่เธอแผ่ลงไปนี่นะผู้ป่วยรับรู้ได้แม้จะโคมา่าและนี่แหละคือพลังที่ทําให้ จิตเนี่ยของชายคนนี้เนี่ยกลับมาเป็นปกติต่อมาเนี่ยผู้ป่วยคนนั้นก็รมมีอาการดีขึ้นแต่ว่าก็ยังอยู่ในภาวะที่วิกฤตในบางครั้งแกเล่าว่ามันมีช่วงหนึ่งเนี่ยนะที่อาการจะยแย่มากโดยเฉพาะตอนกลางคืน หายใจลํบาบากหายใจแต่ละครั้งมันก็ว่าแบบเข้าวสารหนึ่งกระสอบเดินขึ้นเขาตอนนั้นเนี่ยมีความสุขว่าการตายมันง่ายกว่าการอยู่จต่พอจะตายขึ้นมาเนี่ยแกพร้อมแล้วนะแกก็นึกถึงหัวหน้าพยาบาลคนนี้ว่าถ้ารุ่งเช้าพยาบาลมาถึงแล้วพบว่าตัวเองเสียชีวิตพยาบาลก็คงจะเสียใจ ว่าฉันทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าคนไข้จึงเสียชีวิตผู้ชายคนนี้ก็เลยพยายามที่จะอดทนจะอยู่เพื่ออยู่ให้ถึงเช้าและจะบอกกับพยาบาลเมื่อเธอมาเยี่ยมว่าถ้าผมต้องตายเนี่ยมันเป็นเพราะผมไม่หวจริงๆ มันไม่ใช่เป็นเพราะว่าคุณทําผิดทําพลาดอะไรอย่าเสียใจนะถ้าผมยังต้องตามแกพยายามอดทนเนี่ยผู้จะไปถึงตอนเช้าเพื่อที่จะบอกกับพยาบาลแค่นี่ยแต่พอไถึงตอนเช้าอาการแกก็ดีขึ้นแล้วพอพยาบาลมาแกก็ลืมพูดตกกลางคืนเอาใหม่นะจะตายให้ได้ก็พยายามอดทนเพรนึถึงพยาบาลเนี่ยกลัวเธอเสียใจถ้าเขาตาย พอถึงเช้าดีขึ้นก็ลืมบอกพยาบาลเป็นอยงนี้อยู่สองสาครั้งนะจนกระทั่งในสุดดีขึ้นตอนรังแก้วกลับมาเป็นปกติแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้หคุน้าพยาบาลฟังอันนี้เป็นตัวอย่างคนที่นะสามารถจะประคองชีวิตให้อยู่รอดได้เนะี่ยเพราะนึกถึงผู้อื่น ถ้านึกถึงตัวเองตายไปนานแล้วแต่พอนึกถึงเพยบารกลัวเธอจะเสียใจยจึงสามารถที่จะอดทนไปจนถึงตอนเช้าได้นี่รายนี้เป็นชาวญี่ปุ่นนะเธอชื่ออีวาสกี เรื่องนี้เกิดทึ้ประมาณร0 0ยปีที่แล้วชีวิตเธอคล้ายโอ mm hmm. ชินพวกเรารู้จักโอชินใช่ั้ยเด็กกำพร้าแล้วก็ถูกขายเพราะสมับ่อนคนยากจนก็ขายเด็กขายลูกกันชีวิตเธอก็ตกระกรรมลำบากมากแล้วพอเป็นวัยรุ่นนะเธอก็ถูกขายให้กับสานักตีชา ก็ถูกเข้ากดทธธีถูกใช้ต่างๆนานาก็ยังพอทนไหวจนกระทั่งวันหนึ่งได้ทราบว่าน้องชายที่รักตายไม่นานหลังจากนั้นคนรักก็ตายจากไฟเธอก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมแนละ้วเช้าวันหนึ่งเนี่ยที่มาต ก, ตกหนักที่กรุงเที่ยวโตเธอก็เดินเข้าไปในปา่า เพื่อที่จะฆ่าตัวตายในป่าเพราะว่ามีคู้ลุงคนหนึ่งเนี่ยช่วยชีวิตเธอไว้แล้วพอได้ได้ฟังเรื่องของเธอแกก็เปรย์ขึ้นมาว่าคนที่คิดถึงแต่ตัวเองเนี่ยมักคิดฆ่าตัวตายทั้งนั้นและเธอก็บอกว่าเนี่ยอยากจะแนะนําให้ญาติหนึ่งนะก็คือว่าให้เธอกลับไปบ้านกลับเข้าไปในเมือง แล้วก็พยายามช่วยเด็กสักคนนึงที่ทุกข์ยากเองเธอหรือช่วยใครก็ได้ที่เดือดร้อนแล้วถ้าเธอยังคิดอยากจะฆ่าตัวตายอยู่กให้มาบอกฉันฉันจะช่วยตัวตายสมใจเธอได้คิดนะเธอก็เลยเปลี่ยนใจลองทำตามที่ลุงแนะนำ เกียวโตตอนนั้นมีเด็กยากจนเยอะนะเธอก็ซื้อหนังสือให้เด็กเหล่านี้คนญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นคนที่รักวิชาความรู้ถ้าไม่มีปัญญาเข้าโรงเรียนก็จะหาทางกระเสือกกระสนเรียนเองอีวาสติ ก, ก็เรียนดูหนังสืออย่างทพเห็นเนี่ยท่า น, นที่ไม่ได้เข้าเรียนเธอก็ซื้อหนังสือให้ตอนหลังเธอก็สอนเองเลยด้านนับแต่นั้นเธอก็ไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตาย คนเราเวลามีความทุกข์นนะถ้าหาว่าคิดในตัวเองเนี่ยนะมันจะยิจมดิดเข้าไปในความโศกความเศร้าควา ม, มนักก่าเนื้อใจแต่พอเรานึกถึงคนอื่นหรือว่าไม่ใช่แค่นึกแต่ว่าเรงจะช่วยด้วยเนี่ยมันทําให้เกิดมีกําลังใจหรือทําให้รู้สึกว่าความทุกข์ของตัวเองมีเล็กลงที่ย่งคนหนึ่งเป็นหมอเด็กสามีเสีย กระทันหันเป็นครอบคที่อบอุ่นมากแต่ว่าอยู่จู่ๆน้่ก็จากไปเธอเศร้าโศมากงานสบเสร็จสิ้นแล้วเธอก็ยังไม่คลายจาความเศร้าโศกลับไปทํางานเธอก็นั่งซึมอยู่บนโต๊ะทีแรกเพื่อนก็เห็นใจนะก็ปล่อยให้เธอซึมไปแต่ผ่านไปเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเธอก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพื่อนก็เป็นห่วงพยายามขยันทยอยให้เธอทํางานให้เธอใช้ชีวิตตามปกติเธอก็ไม่ยอม นั่งเจา้าจุกแล้ววันนึงเนี่ยเพื่อนก็เอาเด็กเอาเด็กในหอผู้ป่วยมาวางหน้าโต๊ะเธอเธอก็ไม่สนใจแต่ถ้าพักเด็กก็ร้องไห้เธอก็เริ่มลุกขึ้นมาดูว่าเด็กเป็นอะไรอ๋อเด็กต้องการเด็กฉีแล้วต้องการเปลี่ยนผ้าอ้อมเธอเปลี่ยนผ้าอ้อมเสร็จเธอก็นั่งซึมใหม่ถ้าพักเด็กก็ร้องอีก เธอก็ดูเป็นพ่ออะไรอ๋อเด็กไม่สบายต้องให้ยาให้ยาเสร็จเธอก็นั่งซึมใหม่จนถึงเวลาเลิกงานกลับไปบ้านคุณจะกลับไปซึมต่อนะแต่ว่ารุ่งขึ้นเนี่ยพอเธอมาถึงโรงพยาบาลนะประโยวแรกที่เธอถามคือว่าเด็กคนนั้นเป็นยังไงแล้วแล้วเธอก็เริ่มไปที่ ward ไปดูอการของเด็กแล้วก็สนใจติดตามเด็กคนอื่นด้วย แล้วเธอก็กค่อยค ร, สสรายนะความโศกเศร้าเธอคลายในความโศกเศร้าได้เพราะอะไรเพราะนึกถึงคนอื่นสามีภรรยาพูดหนึ่งนะอายุมากแล้วอยู่กันด้วยกันประมาณห้าสิบปีหกสิบปีสามีตรงเนี่ยาตายภรรยาก็พูดกับสามีว่า ฉันจะอยู่ยังไงเน่ยถ้าไม่มีเธออยู่ก็มาต้อง50ปีสามีบอกขอให้เธอเนี่ยนะนําความรักที่ให้แก่ฉันเนี่ยไปมอบให้คนอื่นโอ้นี่เป็นวิธีที่เป็นเป็นโอสถที่เยียวยาภรรยาได้เลยนะนําความรักที่เธอมีกับฉันเนี่ยนะไปมอบให้กับคนอื่น ก็คือให้นึกถึงคนอื่นให้ไปช่วยคนอื่นให้ไปเกื้อกูลผู้อื่นหลายคนเพราะว่าวิธีนี้ทําให้คนคลายจากความโศกเศร้าได้นะมันเป็นโอสถที่ช่วยทำให้หลายคนยังฟื้นจากความทุกข์ความเศร้าโศแล้วมันยังเป็นยาที่บำรุงกายไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยหรือว่าไม่ให้ถูกโรคภัยบีบคันคุกคามกันได้ มีผู้คนหนึ่งนะเธอเป็นผู้หญิงชาวเชียงใหม่ติดเชื้อ HIV จากสามีแทนที่เธอจะปวดสามีที่เอาเชื้อมาให้เธอนะเธอก็ไม่โกรธเขาให้อภัยเขาแล้วเธอก็ดูแลสามีจนเสียชีวิตสามีเสียชีวิตเธอก็ดูแลพ่อของเขาคื อ, อพ่อสามีต่อจนเสียชีวิตเหมือนกัน หลังจากนั้นเธอก็นึกถึงผู้หญิงที่ประสบชะตากรรมเดียวกับเธอหญิงมายที่ติดเชือ้อเธอก็ไปพยายามช่วยเหลือสงคราะห์คนเหล่านี้ให้รู้วิธีการรักษาตัวต่อหลังก็ไปเป็นวิทยากรแนะนําช่วยเหลือหญิงติดเชือ้อต่อหลังก็ขยายไปถึงการช่วยเหลือเป็นวิทยกากรให้กับวัยรุ่นหนุ่มสาวหรือพนักเรียนมัธยมให้รู้จักวิธีการมีเพศย์สมานที่ปลอดภัย ให้เข้าใจเรื่องเชไอและโรคเองสต่อหลังก็ขยายไปถึงเรื่องการให้การศึกษาเพื่อจะได้มีวิชาความรู้ทามาหากินชนิดที่ว่าไม่ต้องไปขายตัวเพราะว่าไม่มีความรู้หรือไปเป็นกรรมกรถ้าเป็นผู้ชายให้รู้วิธีการเพิ่มรายได้สร้างอาชีพ ตอนนั้นเธอก็ขยายาปถึเรื่องการทำงานพัฒนาชุมชนและรับเชืญอเป็นวิทยากรตามที่ต่งตางๆเธอทำนี้มา20ปีโดยที่ไม่ได้กินยาต้านเชือ้อแล้วก็ยังมีสุขภาพปกติมีคนหนึ่งแปลกใจถามเธอว่าที่ทำงานมากๆแบบนี้ที่ไม่กลัวป่วยเ ที่จริงข้อาีจอยากจะถามเธอตรงแบบนั้นว่าที่ทำงานเยอะอย่างเงี้ยที่ไม่กลตายเธอตอบดีเธอตว่าถ้าพิจึงแต่ตัวเองเนี่ยเธอป่วยในนานแล้วการที่เธอเนี่ยนะนึกถึงผู้อื่นช่วยผู้อื่นเนี่ยจะว่าไปให้มันเป็นยาเป็นโอชดที่ทําให้สุขภาพเธอดีความเมตตากรุณาความสุขที่ได้รับจากการช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นเนี่ย มันก็มีผลต่อภูมิคุ้มกันในร่างกายนะไอช้อชีอชอที่มันยังอยู่ในร่างกายเธอเนี่ยมันไม่ลุกลามขยายกลายเป็นโรคเอชเนี่ยก็เพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายเธอเนี่ยมันเอาอยู่และที่เอาอยู่เนี่ยส่วนนึงก็คงเลยเพราะว่าการที่เธอเนี่ยมีจิตใจดีมีเมตตามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นการช่วยผู้อื่นเนี่ย สุดท้ายนะี่มันกลับมาช่วยตัวเองนะมีหลายคนที่เห็นอนิสงจากการไปช่วยผู้อื่นที่เมืองนอ น, นี่มันมีบ้านสงเคราะห์เด็กชาวปากเปร็ดนะชื่อว่าบ้านปากเปรด็ดบ้านนนทภูมีทั้งเด็กที่ถูกพ่อแม่ทิ้งเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีปัญญาเลี้ยงลูกหรือว่าพ่อเหตุใดก็แล้วแต่ แล้วก็มีทั้งเด็กพิการเด็กทุกพลภาพเด็กเหล่านี้มี่ยุ่ 4, ั้งแต่สี่ห้าเดือนจนกระทั่งอายุเจ็ดแปขวบบางคนโชคดีก็มีคนรับไปเลี้ยงอาที่ยังไม่มีใครรับไปเลี้ยงก็อยู่ที่บ้านปักเปรตเด็กมีเป็นร้อยเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่เพียงพอก็รับจิตอาสาจิตอาสาเนี่ย มาทำงานเนี่ยเป็นพี่เลียงเนี่ยอาทิตย์ละสองวันบางคนทำม่สิบปีเลยนะมีคนหนึ่งนะเป็นไมเกรนเธอต้องกินยาทุกวันแต่หลังจากที่เป็นเป็นจนาาิตอาสาอาทิตย์สองวันเนี่ยไม่นานนะเธอเพิ่งรู้ตัวว่าเธอเลื่อกินยา ทำไมลืมกินยาเพราะไม่ปวดนะทำไมไม่ปวดฮะเพราะว่ามีความสุขที่ได้ดูแลเด็กว่าเธอตาสว่างเลยนะทีแรกเธอคิดว่าเธอไปให้ความสุขกับเด็กเราไปไปจิตอาสาเนี่ยเราไปให้ความสุขกับเด็กไปช่วยเด็กที่แท้เนี่ยเด็กกลับมาช่วยเธอมีหลายคนประสบการณ์เนี่ย แบบนี้คือได้เพราะว่าเด็กเนี่ยนะมันได้ช่วยเขาและเธอเนี่ยหลายอย่างบางคนที่สายเปลี่ยนไปเด็กอียุสิบสี่คนนึงนะปิดเทอมเพื่อนชวนไปนจิตอาสาไปทำสักสองสามเดือนแม่ก็พบความเปลีป่ยนแปลงแม่บอกว่าน้องได้เนี่ยจ่ก่อนเนี่ยใจร้อน นะไม่ค่อยฟังใครใช้อารมณ์มากเกินเหตุผลแต่เดี๋ยวนี้ใจเย็นไม่ค่อยเฉียงแม่ใช้เหตุผลฟังคนมากขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะว่าต้องได้เนี่ยพอไปดูแลเด็กเนี่ยนะเด็กบางคนก็จู้จี้เด็กบางคนก็อารมณ์เสียเด็กบางคนก็ดื้อ น้องได้ต้องอดทนแล้วเมื่อศึกษาปายศึกษามัก็จะพบว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีปัญหาของเขาถึงมีอาการแบบนี้มันทำให้น้องได้เข้าใจเข้าใจเข้าใจเด็กทาให้อดทนได้มากขึ้นซึ่งก็ปล่อยทำให้เข้าใจแม่ด้วยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์เดียวกันกันกบนักธุรกิจมีคนหนึ่งนะชื่อโก๊ แกมันคนใจร้อนอะไรไม่ทันใจนี่ลูกน้องทําอะไรไม่ทันใจก็จะว่าเลยนะด่าไปเลยลูกน้องนี่กลัวมากแล้ววันหึงเนี่ยภรรยาไปเป็นจิตอาสาแกก็ไปรับภรรยาทุกครั้งที่ภรรยาเสร็จงานตอนลังก็ไปเป็นจิตอาสาบ้างเห็นเด็กน่ารัก เบอกว่าทําไปได้สองสามเดือนเปลี่ยนนะลูกน้องบอกเด็กนี้เจ้านายใจเย็นก็มีคนไปสัมภาษณ์ไปถามว่าทำไมถึงใจเย็นมาถึงเปลี่ยนแปลงไปก็บอกว่าดูแลเด็กมันต้องต้องอดทนเด็กแต่ละคน ก, ก็มีปัญหาของเขาถ้าการที่คิดถึงเด็กเนี่ยมันทําให้ต้องอดทนต้องใจเย็น แล้วต้องทําให้ยามเข้าใจว่าทําไมก็เป็นอย่างนั้นไอ้มุมมองที่เปลี่ยนไปและใจที่เย็นมากขึ้นอตทนได้มากขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะกับเด็กมันก็ส่งผลถึงการทำงานของเขาถึงพฤติกรรมในชีวิตประจําวันด้วยหลายคนพบว่าเขาและเด็กเนี่ยเติบโตไปด้วยกันอนี้ผู้ชายคนนึงนะเป็นวัยรุ่นไม่ใช่วัยรุ่นแต่แกก็ประมาณรักยี่สิาสิบแล้วก็บอกว่า ผมได้เรียนรู้ว่าผมเนี่ยกับเด็กได้เติบโตไปด้วยกันมีคนหนึ่งเนี่ยนะแกทางนานกกษตรทุพพลภาพเป็นผู้หญิงนะบางวันเด็กก็อารมณ์ดีบางวันเด็กก็หมุนหิดร้องไห้เธอก็ไม่เข้าใจเป็นพ่ออะไรจนกระทั่งวันหนึงก็สังเกตว่าวันไหนถ้าเธอหมุนกิดนะ เครียดนะเด็กก็จะเป็นด้วยเด็กเขาเซนได้ว่าวันไหนเธออารมณ์ไม่ดีวันไหนเธอเครียดวันไหนเธอมีสิ่งี่เกิดขึ้นตามมาคือว่าเด็กคนเด็กเหล่านี้เด็กคนนี้มันทำให้เธอได้เห็นตัวเองมันเป็นกระจกสะท้อนว่าเฮ้ยเธอกำ ล, ลังมีเรื่อนะก็ทําให้ปรับใจขึ้นหม่คนกำลังมีเรืนะก็มักจะปล่อยปล่อยใจไปตามอารมณ์นะ เหมือนกับว่าต่มึนหิดสักอย่างมีอะไร้หมจะพออยู่กับเด็กเนี่ยรู้ว่าตัวเองมึนหิดเมื่อไหร่เด็กก็จะพาเมือหิดเป็นทุกขไปด้วยมันก็จะเตือนให้ทำใจเย็นหน่อยหรือวันไหนที่อารมณ์ไม่ดีก็อาจจะต้องอห่างจากเด็กไปสักพักสักสองสมวันอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็กลับไปใหม่เพียคนนี้ก็เหมือนกันนะบอกว่าเนี่ย ป้ า, ากับล้า น, นี่พัฒนาไปด้วยกันป้าคือตัวเธอล้านคเด็กเธอได้เรียนรู้ป้ า, ากับล้านนี่มันพัฒนาไปด้วยกันผู้หญิงคนหนึ่งยุ่ประมาณสามสิบกว่านะเ ป, นเป็นพิศวกรเป็นผู้หญิงเก่งทำแรงรุ่นเลี้ยงชอบไว้เธอไปดูแนเด็กที่มีปัญหาเรื่องสมองพิการสมองพิการเนี่ยมีการหลายอย่างนะเช่นเดินไม่ได้หรือว่าตาบอด หรือว่าพูดไม่ได้เธอใช้เวลานานมากนะกับเด็กคนเนี้ยสอนให้เด็กพูดเด็กไม่พูดนะเธอก็สอนจนทั่งเด็กเริ่มพูดและเด็กก็พอเริ่มที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับเธอเนี่ยเด็กก็ มีอารมณ์ดีมีอารมณ์ดีอย่างที่แกนึไม่ถึงตัวบอกว่าเด็กคนนียสอนเธอมากสอนให้เธอเนี่ยมีทักนะกติในทางบวกตัวว่าเด็กตาบอด น, นี่นะแต่มีความสุขฉะนั้นที่น่าจะทุกขนะเพราะว่าไม่สมประกอบ มันทำให้เธอยอนกับ ม, มองตัวเองว่าเอ๊ะฉันเนี่ยมีมีอาการครบสามสิบสองเลยแล้วทําไมจะต้องทุบคนที่เขาแยกกับชั้นเนี่ยเขายังมีความสุขเลยมันทําให้เธอสับฉันเองเนี่ยโชคดีนะจะโชคดียอย่างนี้แล้วจะทุบไปทําไมมันทําให้เธอเนี่ยนะ กลายเป็นคนที่สุขง่ายเวลาเจอเธอเจออะไรมากระทบเนี่ยหรือเจออุปสรรคเจอปัญหาเธอก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเด็กของเธอเจอหนักกันานี้ก็ยังมีความสุขเลยคือมันทำให้เธอเนี่ยนะปล่อยวางกับสิ่งต่างๆ ง, ง่ายแล้วก็สามารถจะมีความสุขได้ง่าย น, นี้เป็นตัวอย่างนะของคนที่เวลาเขาคิดถึงคนอื่นมากเท่าไหร่ ความทุกข์ของตัวเองจะลดลดลงแล้วเมื่อคิดถึงคนอื่นมากเท่าไรเนี่ยและไม่เพียงแค่นึกถึงแต่ลงไปช่วยด้วยมันจะทำให้ตัวเองเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงหลยคนมื่อคิดว่าการไปช่วยผู้อื่นเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาทำไม่เหนื่อยแต่ที่จริงแล้วเนี่ยความดีที่ทำ ความเมตตากรุณาที่ที่ให้กับผูเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนเลยมันสะท้อนย้อนกลับมาที่ตัวเองทําให้มีความสุขทําให้เกิดความเปลี่ยนแปล ง, ปงทําให้เกิดอัตราทําให้อัตราตัวตนลดน้อยลงความทุกข์ที่มีมันจะกลายเป็นจิบ๊บจอยไปทันทีบางเรื่องก็น่าทึ่มนะตัวอย่างที่ตมาพูดอยู่เสมอก็คือเรื่องของน้องโยน้องโยนเป็นเด็กชายวัยเจ็ดขวบวันหนึ่งเนี่ย ขึ้นป้าชวนน้องโยขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนครปฐมไปไม่ถึงกันนะเกิดอุบัติเหตุรถชนมอเตอร์ไซค์พังยับเยินป้าแขนหักไปข้างหนึ่งแต่น้องโยนีหนักขาเละไปหนึ่งข้างก็รีบพาส่งโรงพยาบาลทันทีเลยเนะี่ยตอนที่ขื้รถพยาบาลเนี่ยป้านี่ร้องโอดโอยตลอดทางเลยน้องโยนิ่ง จนถูโรงพยาบาลเข้าห้องผ่าตัดน้องโยก็นิ่งผ่าตาเสร็จหมอถามน้องโยทําไมน้องน้องโยไม่ร้องเลยน้องโยพูดว่าไงน้องโยบอกว่ากลัวป้าเสียใจครับน้องโยเนี่ยรู้เลยนะว่าป้าเนี่ยทุกข์มากเลยป้านี้ไม่ได้เจ็บปวดเพราะแขนหักแต่ป้านี้สุดทุกข์ใจที่ทําให้น้องโยมาเจออาการแบบนี้ น้องโย Studio รู้ว่าถ้าตัวเองร้องเนี่ยป้านิจคงจะจิตสลายน้องโยก็เลยพยายามที่จะอดกั้นนะปวดก็ปวดแต่ว่ากดกั้นก็เห็นแก่ป้าปวดป้าทุกปวดป้าเสียใจผลก็คือความทุกข์ของน้องโยกลายเป็นเรื่องเล็กคนเราถ้าึงนึกถึงคนอื่นนะความทุกข์ของตัวเองจะเล็กลงแต่ถ้าคิดถึงแต่ตัวเองนะ แม้เป็นสิวผิวแห้งของแตกปลาก็จะเป็นยาตายให้ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับ แ, นะนะแต่คนหนึ่งขาเลยนะไม่ร้องเลยนะแต่คนนึงเป็นสิวเนี่ยโอ้ไม่ไหวเป็นทุกข์เหลือเกินเป็นวิกฤตในชีวิตนะหลายคนเนี่ยในอเมริกาเนี่ยหนุ่มสาวที่มีสิวเนี่ย20่สิบสามร์เซ็นมมาเป็นวิกฤตในชีวิต จะถ่ายเซลฟี่ยังไงมันก็ไม่ได้ถ่ายให้สวยนะเพราะว่ามีสิวติดนะยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ต้องไปทำโฟโต้ช็อปนะจนท่างค่อยสบายใจหน่อยแต่ลึกๆ ก, ก, ก็ยังรู้ว่าตัวเองยังมีสิวนะแล้วคิดถึงแค่นี้นะมันทุกข์เลยสมัยนี้นะโพสอะไรขึ้นไปเพิ่งไปกดไลค์ก็ทุกข์แล้วนะครับไม่ต้องคอมเมนต์ด่านะแค่ไม่กดไลค์เนี่ยนะ ลูกสาวเพื่อ น, นี่โอ้หต้องต้องลายไปบอกเพื่อนนะให้ช่วยกดไลน์ให้หน่อยนะ <c oughs> คือเนี่ยถ้าคิดถึงในตัวเองนะมันทุกข์ในสมัยนี้คนนึกถึงในตัวเองมากคาว่าเซลฟี่มันก็บอกอยู่แล้วว่าตัวกูเซลฟี่คือตัวกูและเดี๋ยวนี้เฟซบุ o กเนี่ยมันเป็นตัวที่กระตุ้นตัวกูให้รุนแรงมากขึ้น คนได้ค่อยตระหนักนะได้ลหลายคนเนี่ยทุกข์เพราะเห็นคนอื่นเขามีความสุขกว่าก็เพราะ facebook อีกเหมือนกันก็เพราะว่าเ c e บุ o กทำให้คนทุกข์มากขึ้นเพราะว่าเวลาดูสเตตัสของคนนั้นคนนี้เขามีความสุขกันทั้งนั้นเลยเขาไปกินอาหารอร่อยเขาไปเที่ยวห้างเขาไปสังสรรค์กันเขาไปเขาใหญ่ไปภูเก็ มีตะปูคนนี้ที่ทุกที่จริงไม่ใช่นะไอ้ที่อื่นที่เหลือก็ทุกเหมือนกันนะแต่ว่าพยายามที่จะอัพโหลดภาพสวยๆอันนี้เรามองให้เป็นนะคือมองคนอื่นแล้วเนี่ยนะตัวเังกับทุกนะทั่เปรียนเทียมแต่ถ้ามองเป็นนะเออเห็นคนอื่นก็ทุกนะเรายกเรื่องยิ้มสวยว่าเออความบไปโชคดีนะที่เราทุกน้อยกว่าเขา อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะมองมาช่วยทำให้เราเนี่ยมีความสุขมีความหวังแล้วก็มีกำลังใจแล้วก็เห็นความเวของเราเป็นเรื่องที่ดีท่สุดจอยผู้เจ้าเคยตรัสนะว่าเมื่อรักษาผู้อื่นก็ได้ชื่อว่ารักษาตนอันนี้พูดง่ายๆคือว่า เมื่อเรานึกถึงผู้อื่นช่วยผู้อื่นมันก็ส่งผลกลับมาที่ตัวเราคือเป็นการช่วยตัวเราด้วยไม่ได้แยกกันนะระหว่างรักษาตนกับรักษาผู้อื่นรักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นและรักษาผู้อื่น ก็เท่ากับรักษาตนเวลาเราจะช่วยใครนะอย่างแรกที่เราต้องทำนั่นก็คือดูแลตัวเองให้ดีหลายคนอยากจะไปช่วยคนนั้นคนนี้แต่พ่อไม่ดูแลตนไม่ดูแลใจก็เลยกลายเป็นสร้างปัญหาให้คนอื่นหลายคนดูแลผู้ป่วยซึ่งเป็นแม่เป็นพ่อ ลูกที่ดูแลพ่อแม่ด้วยเพาะพ่อแม่ที่ป่วยยืดเยือ้อเช่นมะเร็งหรืออาลไซมอรนี่น่านับถือน่ายกย่องนะหรือว่าสามีที่ดูแลภรรยาที่เป็นอัมพากอันนี้น่ายกย่องแต่บอ่อยครั้งเนี่ยผู้ดูแลเนี่ยกับสร้างปัญหาให้กับผู้ป่วยเช่นต่อว่าดูดา พอเห็นผู้ป่วยไมฟังไม่ทําตามแม่นี่ความดันขึ้นเป็นบวมหวานก็ยังอยากกินข้าวเหนียวทุเรียนอยากกินพ่อส่วนพ่อก็อยากกินอขาหูนะทั้งที่เป็นโรคหัวใจลูกเนี่ยปรารถนาดีกับพ่อแม่มากพอพ่ อ, พอแม่ไม่ฟังบางทีแอบสูุหรีนะทั้งที่เป็นโรคมะเร็งปอด ห้ามนใจไม่อยู่ก็ด่าบางทีทำงานเครียดนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็ต่อว่าภรรษามีบางคนเครียดกับการดูแลภรรยามาาบางทีถึงกับตีนะถึงกับทุบนะเพราะว่าลืมตัวอันนี้เรียกว่าไม่รักษาตน เมื่อไม่รักษาตนเนี่ยแทนที่จะช่วยผู้อื่นมันก็เลยกลายเป็นการทําร้ายไปยวันนั้นเนี่ยผู้เยียวยาเนี่ยจําเป็นว่าที่ต้องกลับมาดูแลตนพักผ่อนให้เพียงพอรู้จักปล่อยรู้จักวางบ้างไปเที่ยวบ้างไว้วางใจให้คนอื่นทําแทนตัวบ้างตัวนี้ได้ไปเที่ยวไปพักนะหรือเวลาทํางานเนี่ยอยากจะช่วยผู้อื่นนะ แต่ว่าใจร้อนเอาแต่บ่นจู้จีทนะ้ที่บน่นมีหลายคนนะปรารถนาดีกับเพื่อนอยากจะช่วยชวนรวมแต่ว่าไม่ดูใจนะบน่นะตำหนิโน่นตำหนินี่เพื่อนจเสียกำลังใจกลายเป็นปัญหาแล้วจะไม่รู้ตัวนะไปทั่วคนอื่นว่าเป็นปัญหาเป็นตัวการ อันนี้ก็ควรจะเรียนจากนิทานเศรษเมื่อสักครู่นะคือว่าถ้าเราไม่เห็นความผิดของตัวเราไม่กลับมามองตัวเราก็ไม่แต่คนตาบอดนะอันนี้เลยว่าถ้าเราจะช่วยใครเนี่ยต้องเริ่มต้นที่กลับมาที่ช่วยตนก่อนรักษาตนรักษาตนเท่ากับว่ารักษาผู้อื่นใครจะการรักษาผู้อื่นก็เท่ากับว่ารักษาตนนะฮะ แล้วถ้าเราทำประการเหล่านีมากๆทำเป็นนะอัตตาตัวตนมันจะเล็กลงมีความสุขได้ง่ายขึ้นพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนให้กลับมาดูแลตนกลับมาพึ่งตนแต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าเราไม่สนใจคนอื่นเลยสนใจได้แต่ต้องสนใจให้เป็นนะไม่ใช่ส่งจิตออกนอกเพื่อที่จะไปไปโทษไปเพ่งโทษคนอื่น ถ้าย้งส่งใจล้ำงนอกนอ ก, ก็ต้องส่งให้เป็นนะก็คือว่าเห็นคนอื่นก็มีความทุกข์แล้วก็อยากจะช่วยและการช่วยนนะเดี๋ยวว่าแต่ช่วยคนเลยนะแม้แต่การช่วยสัตว์หรือต้นไม้เนี่ยก็พรว่ามันมีผลดีคนแก่เนี่ยคนแก่ที่งอมมากๆเนี่ย จนกระท่งนอนติดเตียงไม่มีชีวิตชีวาไม่รู้อยู่ไปทาไหนเขาพบนะว่าเพียงแค่เอาต้นไม้มาวางไว้ในห้องแล้วก็แนะนำให้เขาช่วยรดน้ำต้นไม้แค่วันละครั้งดีขึ้นนะสุขภาพดีขึ้นมีการเปรียบเทียบกันระหว่างคนแก่ในภาคพัน์ชราสองแห่ง แห่งหนึ่งเนี่ยมีคนช่วยลดน้ำต้นไม้ให้เนห้องอีกแห่งหนึง่งเขาแนะนำให้ลดน้ำต้นไม้เองกลุ่มที่สองเนี่ยบก ว, ว่าใช้ยาน้อยลงโดยเฉพายาปฏิชีวนะยาประเภทเกี่ยวกับเรื่องประสาทความเครียดเนี่ยและไม่เพียงแต่ใช้ยาน้อยลง การตายก็ลดลงและมีสุขภาพยืนยาวขึ้นมีชีวิตยืนยาวขึ้นไม่น่าเชื่อนะขนาดต้นไม้เนี่ยลดน้ำเนี่ยทุกวันยังมีผลดีกับสุขภาพอย่างนี้นะไม่ต้องพูดถึงการดูแลสัตว์นะการช่วยสัตว์การเลี้ยงสัตว์ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะ เพราะนั้นเวลาเราเห็นคนแก่เนี่ยงอมไม่มีชีวิตชีวานะลองดูนะให้เขาได้ทำอะไรที่เป็นการช่วยผู้อื่นหรือช่วยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนกเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาสุขภาพจิตจะดีสุขภาพกายก็จะดีขึ้นด้วยนะก็พอสมุวรจะเวลานะก็ขอเผื่อเวลาสำหรับคำถามนะถ้ามีมีเวลาอีกประมาณ5นาทีค่ะใวันนี้ก็มี2คำถามร คำถามที่หนนะคะสามีเพิ่งเสียกระทันหันมีความทุกข์มากสลบทุกไม่ออกมักตะวนคิดทั้วันทั้งคืนทาอย่างไรจะให้จิตใจดีขึ้นคะคนเราเวลามีความเศร้านะนักจะเจาจุกไม่ไปไหนเวลาเศร้าเราก็มักอยากจะฟังเพลงอะไรเพลงเศร้าเพลงสนุกเราไม่ฟังนะ ความเศร้ามันจะตอบกลุมจิตเร า, เาไว้แล้วถ้าเราทําตามมนั้นนะเราก็ยิ่งจมดิ่งไปในความเศร้ามันก็ขุดหลุมลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆสุดท้ายแสงสว่างเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปต้องออกนะต้องสลัดตัวออกจากความโกรธออกจากความเศร้าถ้ามีเพื่อนเนี่ยเพื่อนควรชวนไปเที่ยวนะชวนไปทําบุญนะถ้าอย่างเี่นจะมาพูดมาสักครู่เนี่ย วิธีการที่ช่วยทำให้หลุดจากความเศร้าคือการนึกถึงผู้อื่นไปช่วยคนอื่นอาจจะไปบ้านพักคนชราไปไปจิตอาสาบ้านปักเป็ดทาอะไรก็ตามเนี่ยที่มันทำให้เราหลุดออกไปจากอารมณ์อย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่นั่งเจ้าจุกและอย่างที่อรตมมาบอกนะการนึกถึงคนอื่นเนี่ยช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุด อย่างที่ลุงบอกกับภรรยาตอนที่ตัวเองจะเสียนะว่าฉันจะอยู่ภรรยาถามว่าฉันจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีเธอแล้วเขาบอกว่าให้นำความรักที่มีให้กับฉันเนี่ยไปมอบกับคนอื่นนะนี่เป็นเป็นโอสถที่ช่วยได้มากแล้วมันช่วยได้หลายคนนะตมาที่ยกตัวอย่างมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องเนี้ยคือช่วยคนอื่นแล้วมันจะดึงเราออกจากความเศร้าได้ แล้วแงขับอะไรที่เราจะทําให้เราเล่อนึ้คนอื่นก่อนที่จะเลื่ึ้ตัวเองไปเจอเขาไปเห็นเขาแล้วก็มีคนช่วยต้องมีคนช่วยพาไปนะต้องมีคนเนี่ยดึงออกไปจากจุดที่นั่งเจาะจุบนะตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยทําให้เขาเนี่ยอ่าเริ่มที่จะ คลายาความโศกเศร้าใหม่ๆอาจจะทำได้นิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรกาะยันนั้นมีสำคัญมากนะมีคนหนึ่งนะัแกะเป็นคนที่เรียกว่าด p เพรสมากนะฮะเป็นดาราเป็นอดีต ด, ดาราเป็นผู้หญิงดีเพรสมากเพราะว่าชีวิตมันล้มเหลวทุกอย่างเลยทั้งในเรื่องการแสดงและเรื่องชีวิตครอบครัวตอนหลังก็ไปติดเหล้า เพื่อนเนี่ยดึงออกจากเหล่ายัางไงก็ไม่สาเร็จในะชีวิตย่างแย่เป็นเรียกว่าตกใจเพราะว่าชีวิตแบบโซแล้ววันหนึ่งนะครับเพื่อนเอาลูกแมวมาให้เอาลูกแมว ม, ม, มาให้เลี้ยงทีแรกจะไม่เอาแต่เพื่อนก็ไม่รู้หรอกเธอเลี้ยงไปก็รับกรรเวลาจะเมาเนี่ยเวลาจะเมาเนี่ยจะเมาได้สักพักหนึ่งก็จะไม่ถึงแมวนะต้องเลิกกินเหล้า ไปหาหนมให้แมวกินเวลาไปเมาข้างนอกเนี่ยเมาได้ไม่นาต้องกลับมาบ้านเอานมให้แมวกินเชื่อไหมเลี้ยงเลี้ยงจนแมวโตนะแล้วตัวเองก็หายเมาด้วยดีขายดีเซสเลยเพราะมันห่วงแมวเนี่ยมันห่วงแมวต้องกลับมาบ้านกลับบ้านมาเลี้ยงแมวทุกวันใช่ไหม วันไหนเมามาไหนไม่ได้ไไดเลี้ยงแมวก็จะรู้สึกไม่สบายใจก็จะต้องหาทางเลี้ยงแมวเพราะแมวเมันต้องการการดูแลลูกแมวไม่น่าชื่อนะแมวมันช่วยทำให้เด็กผู้หญิงคนนี้นนฟื้นขึ้นมาได้เธอชื่อฟรานซสฟาร์เมอร์แล้วเธอเขียนประวัติของเธอไว้แมว่ ย, ช, วยช่วยเธอไว้ได้เพราะฉะนั้ น, น, นาการช่วยคนอื่นหรือช่วยชีวิตอื่น เ, นนนเป็นโอสสที่ดีมากแต่ใหม่ๆมันฝืนมากนะ เพราะว่าความเศร้าเนี่ยมันหรือความดิเพรสเนี่ยความซึมเศร้ามันจะไม่พยายามให้เราไปไหนมันพยายามที่จะเกากเราไว้เราต้องต้องกล้าที่จะหลุดหรือไม่ต้องมีเพื่อนที่จะสลัดช่วยกันสลัดออกจากความเศร้าให้ได้แม้จะเป็นช่วขณะก็ตามแต่ทํำบ่อยๆทำบ่อยๆมันจะหลุดได้ในที่สุดปัญห า, าที่สองนะคะอยากราทราบวิธีการกำหนดจิตขณะใกล้ตายค่ะหากใกล้ตายเรามีความทรามาร เราต้องกำหนดเจ็ดนอหวดหนอไหมคะเพราะกลัวว่าถ้ากำหนดทุกขเวทนาแล้วแต่อารมณ์ทุกเศร้า ห, หม อ, องเพราะความมาณมันยังไม่หมดไปจากใจมันจะนาจิดตดรงสุดท้ายไปสู่ทุขติภูมิคือสำหรับกรณีทั่ ว, วไปนะอาตมา ก, ก็จะแนะนำสองข้อซึ่งก็ถอดจากวิธีการที่พระเจ้าสอนคนที่ใกล้ตายหนึ่งนึกถึงพระ 2. องลทุกสิ่งง่ายๆเลยนะสำหรับเวลาที่มีน้อยเนี่ยหนึ่งนึกถึงพระพระในที่นี้คือพระตันั์ไตรหรือถ้าเป็นคนจริงก็จะแหมควนอิมพระุพธิสัตว์รวมทั้งความดีที่ได้ทำเช่นบุคคลที่ได้บาเพ็ญสองลทุกสิ่งปกติแล้วเนี่ยไอ้ทุกขเวทนาเนี่ยมันจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่หมายงทุกขเวทนาทางกายนะจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ ไอ้ที่ปัญหาใหญ่เนี่ยเกิดจากความวิตกเกิดจากความกังวลเกิดจากความกลัวเกิดจากความรู้สึกโกรธมีเรื่องผิดติดค้างใจนะส่วนใหญ่เป็นเพราะเห็นนี้คือเป็นเรื่องใจทั้งนั้นข้อสองเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราคลายนะั่คือละทุกสิ่งแต่จะละทุกสิ่งได้เนี่ยการที่เรานึกถึงพรานมันช่วยได้สําหรับคนที่มีทุกขเวทนาทางกายเนี่ยนะอย่างแรกที่จะมาอยากจะเน้นก็คือว่าอย่าผักสา อย่าผักสายความปวดยอมรับมันยอมรับมันนะเพราะถ้าเราผักสายเนี่ยยิ่งทุกเสียงถ้าเราไม่ชอบมันเนี่ยต่าทุกแต่ถ้าเราวางใจเป็นกลางกับมันมันพอทนได้หลวงปู่ขาวเนี่ยนะอนาลโยธิท่านเคยบอกนะว่าทุกขเวทนาเนี่ยสำหรับคนป่วยนะท่านเตือนว่า อยากหายจากทุกขเวทนาเพราะถ้าอยากหายเนี่ยมันจะยิ่งทุกข์มากขึ้นเพราะความอยากเนีมันเป็นสมุทยัยในความอยากหายเนี่ยนะถ้าบอกว่าถ้าอยากเนี่ยถ้อยากเห็นความจริงจากทุกขเวทนาจากความเจ็บปว่วยก็คือแทนที่จะผลักสายมันหรือแทนที่จะเข้าไปเป็นมันสุวนใหญทำสองอย่างผักความปวดหรือเข้าไปเป็นผู้ปวดให้กลับมาเห็นมัน แล้วเรียนสัจธรรมจากมันมันจะสอนเรื่องตายลอให้กับเรานี่คือโอกาสแต่จะทำนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์การปฏิบัตินะฮะต้องผ่านการเจริญสติคือรู้จักดูเวทนาถ้าดูไม่เป็นมันจะเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ผู้ปวดอัตมาจะไม่ค่อยแนะนำหรอกไอ้ดูเวทนาเนี่ยหรือว่าแม้กท่างกำหนดจิดว่าปวดน้อปวดน้อเนี่ยจะไม่แนะนาคนทั่วไป แต่ว่าจะให้ทาสองอย่างนะคืนนี้ถึงพระแล้วก็รับทุกสิ่งนะเอาจิตไปกำหนดสิ่งอื่นแทนไปกำหนดสิ่งที่เราศรัทธานะต่อเมื่อมีประสบการณ์การภาวนาเนี่ยถึงค่อยเรียนรู้วิธีที่จะดูเวทนาหรืออยู่กับเวทนาด้วยใจที่เป็นกลางไม่ผักใสตรงนี้ต้องอาศัยสติ ม, มากนะครับทำตามสบายครับ ที่อยากจะถามคือบางทีที่เราจะกำหนดจิตให้เราไม่ไม่ปรีทันทีเวลาเจอคำพูดอะไรที่ไม่ถูกใจอะค่ะถึงแม้กติกามาแต่ว่าพิธก็มันมันมันลุ้จิตไปแต่ว่าจะทำยังไงถ้าเรารู้ล่วงหน้าก่อนจะดีและเตรียมตัวล่วงหน้านะถ้าตัวไม่เตรียมตัวล่วงหน้าต้องสติต้องไหวถ้ารู้สึกว่ามันมันไอปรีนี่นะธรรมชาติของเราไม่ปรีหรอกถ้าเจอครั้งแรก แต่ที่ปลีเพราะสะสมหมักหมมอาการปลีเนี่ยคืออาการของการหมักบ่มสะสมนะถ้ามันเจอข้งแรกเนี่ยรู้ทันมันจะวางได้ดังนั้นกูต้องจัดการว่าไอ้ที่เป็นปลีปลีเนี่ยนะมันต้องมันประการแรกคือมันมีการหมักหมมสะสมไว้จะต้องแผ่เมตตาให้เขาบ้างหรือว่ากลับมาตามดูรู้เยชนาะตามดูรู้อารมณ์อย่าไปเก็บกดมันถ้าเก็บกดเนี่ย มันจะปรีดได้ง่ายนะแต่ถ้าเรารู้ทันความโกรธมันจะค่อยๆ ค, คลี่คลายนะต้องทํำบ่อยๆนะอย่าให้มันเจ็บกดนะคนส่วนใหญ่พอโกรธจะกดเอาไว้ข่มมันเอาไว้แล้วมันจะปรีดง่ายคราวนี้โอเคถึงแม้ว่ารู้แล้วว่าถึงแม้กดข่มมันเอาไว้แล้วมันเริ่มจะปรีดเนี่ยอาจมาคิดว่าถ้าหาว่าถ้ามีสติทันนะกลับมาตามลมหายใจ ลมหายใจของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นลมพิเศษถ้าเราใจใสายมาลงไปนะหายใจเข้าลึกๆหายเจยาวๆนับหนึ่งหายใจเข้าลึกๆหายเจยาวนับสองคุณนับถึงสิบใช่ซึ่งต้องมีสติไวนะเพราะว่าเวลาเวลาเจอฟังเวลาเจออะไรมากระทบเนี่ยถ้ามันถ้ามันสะสมมานานเนี่ยจิตมันจะส่งออกนอ ก, นอก คุณกลับมาที่ลมหายใจกลับมาดูกายเดี๋ยวเพิ่งไปสนใจว่าเขาพูดอะไรเดี๋ยวเพิ่งไปสนใจอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นให้กลับมาดูกายคือลมหายใจนับหนึ่งถึงสิแล้วคุณลองสังเกตดูนะมาดูกายนอกจากลมหายใจแล้วดูว่าลมหายใจเป็นอย่างไอดูว่าหัวใจเป็นอย่างไรสังเกตว่าเราทีนี้มือเกร็งไหมตัวเกร็งไหมหน้านี่คือวขมวดหรือเปล่าเม้นเป็นผิดปากไหมคุณลองมาสังเกตกาย เวลาโกรธเนี่ยกายมันจะทำงานทันทีแล้วถ้าคุณมารู้ตามดูรู้ทันกายเนี่ยไม่ใช่แค่ลมหายใจนะแต่ว่าอาการต่างๆในร่างกายเนี่ยมันจะช่วยทำให้อารมณ์โกรธคลี่คลายลงเพราะคันที่ทุกคุณรู้กายเนี่ยว่ามันเครียดมันจะเริ่มคลายพอกายเนี่ยคลายเนี่ยใจมันก็จะคลายตามไปด้วยและสิ่งนี้ทำได้ยากและคนทำนะยิ้มยิ้มไ้ก่อนคุณเชื่อไหม นัดใจจะเป็นยังไงก็ตามนะแต่ยิ้มเนี่ยนะมันช่วยคนที่กลัวกลัวเข็มฉีดยากลัวมีดผ่าตัดเนี่ยนะเขาพบว่ายิ้มอย่างเดียวเนี่ยนะลดความเจ็บได้สี่ิเปอร์เซนนะคนที่โกรธเนี่ยนะคุณลองยิ้มแล้วความโกรธจะคลายไม่มาใจยาคนที่รนคนที่พิตกยิ้มรู้ไหมหรู้จักโกรโมเมเบ่ะเอริยานักกอ แล้วก็คนนี้เนี่ยจะมีปัญหานะเวลาหลุมสุดท้ายเนี่ยมักจะตีผ้าชนะเข้ามาตลอดนะแล้วก็มักจะตีผ้าหลุมสุดท้ายสุดท้ายเนี่ยต้องไปจ้างผู้เชี่ยวชาญเนี่ยทางด้านจิตวิทยาเนี่ยมาช่วยเพราะว่าแจมพลาดแชมป์มาหลายครั้งนะเพราะว่าไปแพ้อตอนหลุมสุดท้ายและแชมป์และนักวิจิตวิทยานี่นะ ฝรั่งนะเขาก็เอาเทปเก่าๆมาแกะมาดูก็จะพบว่าเมโปรโมเมย์เนี่ยเวลาเวลาหรุดท้ายๆเนี่ยแกร่นแกปลัวเนี่ยแกทำอะไรเร็วตีเร็วแล้วตีเราเป็นไงพาดง่ายแกต้องทําให้ช้าลงเขาแนะนํำแกยังไงเนี่ยแกก็ไม่ช้าลงเลยจนกระทั่งแนะนําอะไรทราบไหมฮะให้ยิ้มแนะนำให้เนี่ยคือยิ้มเพราะคนไทยเนี่ยยิ้มเก่ง จ้างคนมาเป็นล้านนะได้คำ น, นั้นเนี่ยคือยิ้มแล้วสําเร็จนะได้ชมปครั้งล่าสุดเนี่ยครั้งสุดสามครั้งสุดท้ายเนี่ยนี่แกได้มาหาถ้า ห, า, ห, า, หาชมา์แล้วนะในปีเนี้ยพอายิ้มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองยิ้มไว้ก่อนนะเวลากลัวเวลาเร็งเวลารลเนี่ยถึงแม้ข้างในเป็นยังไงแต่ฉีกยิ้มไว้ก่อนเนี่ยมันช่วยได้เยอ ะ, อะ ก็จริงๆเรมีหลายปัญหานะครับแต่ว่าเวลาของรายการเราหลังช่วงสุดท้ายและการเดียวเรามีวิธีทอดผักกาดในช่วงไทยนี้ด้วยนะครับก็ถัดไปจะเป็นวิธีทอดผักกาดนะครับประจำเดินกันยา